พระธรรมาเทศนาแผ่นที่7จสองลำดับที่24โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่21ตุลาคม2557หมีชื่อเรื่องว่าสักวันความตายจะมาถึงเรา วันนี้เป็นวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2557เมื่อวานหลวงปู่ของเราเอาหลวงพ่อก็แล้วกันนะเพราะพวกเราเคยเรียกท่านหลวงพ่อนะแต่ท่านมีสมณศักดิ์ว่าพระครูสุธรรมวุฒาจารย์วงเล็บ หลวงพ่อบุญสมจรณธรรมโมในที่ท่านได้นักธรรมนักธรรมโทอดีตเจ้าวาดวัดวังผู้ใสในพระสังฆราชาชูประถรรมอำเภอหนองยาป้องจังหวัดเพชรบุรีนี่แหละที่ท่านได้มรณภาพเมื่อวานนี้ที่โรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่น เป็นหลวงพ่อของท่านพระอาจารย์รัตนะเเคมรัตโนโอที่เคยอยู่กับหลวงพ่อที่วัดป่านาคําน้อยแต่ปีนี้ท่านให้ให้ท่านมาจําพรรษาอยู่ที่วัดรวมธรรมเอลูกหลานอย่าเพิ่งคุยกันจุดนั้นนะอยู่ในความสงบซะก่อนอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งคุยกันหลวงตากําลังจะพูดอะไรให้ฟัง <c oughs> <c oughs> นี่แหละศรัทธาญาติโยมวลวังนั่งฟังอยู่พวกเราอย่าไปคุยกันอยู่ในความสงบเพราะช่วงนี้เป็นช่วงช่วงพูดที่พวกเราจะต้องทําความเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะงานนี้เป็นงานใหญ่อแต่พวกเราถึงบางคนก็ไม่ใช่งานใหญ่ก็เถิดแต่ลุงพ่อเคิดว่าเป็นงานใหญ่ทีเดียวเพราะว่าเป็นงานตระกูลแลือเป็นงาน มรณภาพที่หลวงปู่หลวงตาของพวกเราที่ท่านจากไปไม่ใช่ของเล็กน้อยเป็นการฉันท์ถือเทินสถานหวั่นไหวในตระกูลของพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเรามาในงานต้องมาด้วยความสงบมาด้วยความวินิตวิเคราะห์มาด้วยงานช่วยกันว่าเราจะช่วยแบกยังไงงานนี้จึงจะให้สําเร็จ ร, ร่วงไปด้วยดีไม่ใช่มาเล่นมาสนุกสนันเฮฮาไม่ได้นะงานเนี้ย เป็นงานที่หลวงพ่อเองก็เป็นงานที่หลวงพ่อตั้งใจทีเดียวพอหลวงพ่อท่านรัตนะเผยไปจำพรรษากับหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้ถือว่าเป็นอย่างอื่นเป็นลูกเป็นหลานของหลวงพ่อเพราะนั้นหลวงพ่อเมื่อมีงานอย่างนี้เกิดขึ้นหลวงพ่อในฐานะที่เป็นพ่อเป็นพ่อเป็นปู่ในฝ่ายพระสงฆ์หลวงพ่อจะต้องออกมารับผิดชอบเต็มประตูอ่า ว่างานรับผิดชอบหลวงพ่อจะต้องมาช่วยเหลือว่าอะไรที่ขาดเหลือขาดตกปกพ่องพอหลวงพ่อก็เคยจัดการจัดงานของครูบาอาจารย์มาพอสมควรในงานนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนนะที่มาร่วมนั่งงานมาเพื่อการกุศลมาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลหลวงพ่อทําไปกับทาเพื่อการกุศลเหมือนกัน พ่อหลวงพ่อของเราที่จากไปท่านไม่ได้มาจากไปอีกให้เราได้เห็นอีกเราชาตินี้พวกเราก็มีแต่ครั้งเดียวเพราะนั่นใครจากไปก่อนพวกเราก็ต้องพยายามทําให้เต็มที่ดีที่สุดอย่งข่าวนี้ตาข่าข่าวหน้าตาเองมันข่าวแต่ละตากันในเมื่อท่านจากไปก่อนเราก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเมื่อวานในท่านก็ได้จากไปที่โรงพยาบาลศรีนคริน หลวงพ่อเองก็ได้ขอบอกขอบใจคณะแพทย์คณะหมอที่ดูแล ร, รักษาท่านด้วยความตั้งอกตั้งใจจริงหลวงพ่อไปดูแล้วก็รู้สึกสั้นฉดชืดแกมใสคิดว่าเออคงจะได้ออกจากโรงพยาบาลข่าวนี้ก็คงจะ เ, ออเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็หลวงพ่อก็ได้ปรึกษาปารัรับกับคณะแพทย์ถ้าเอาอาหารทั้งข้าทางสายยามีปัญหาก็น่าจะเจาะ ข้างท้องก็ได้เหมือนเจ้าคุณปู่วัดโที่สมพรของเราพระอุรมยานโมรีท่าน ก, ก่เจาะทางกระเพาะเอาอาหารเข้าทางกระเพาะเลยไม่ต้องเอาเข้าทางทางปากเพราะกลืนยากแต่นี่ก็กำลังคิดกันอยู่แต่ว่ายังไม่สำเร็จกำลังปารบกันแต่ผลที่สุดก็ อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นได้ยินพอท่านทานอาหารเข้าไปนะมันสำลักเข้าไปในหลอดเข้าไปในปอดออมันไม่ใช่เขาตั้งช่องท้องมันเข้าไปทางปอดพอเข้าไปทางปอดท่านนี้ก็ปอดก็ติดเชื้ อ, อ, อพอติดเชื้อก็เชื้อโรคเข้าในกระแสะเลือดก็เลยทำให้หัวใจของท่านไม่ดีอยู่แล้วแล้วก็ทำให้ไตของท่านอีกล้มเหลวอีกมันก็เลยเป็นเรื่องใหญ่ ทั้งสองเรื่องเลยท่านทั้งใจไตทั้งหัวใจพรท่านท่านจึงเลยมราณาภาพไปด้วยความด้วยอาการสงบเมื่อวานหลวงพ่อไปถึงกอท่านก่เนี่ยนะพอไปถึงใครเข้าไ ป, ไปถึงโรงพยาบาลท่านก็จากไปทันทีท่านคงจะเห็นว่าเออหลวงพอ่อามาแล้วคงจะเป็นอย่างนั้นมรรคปิญญาณของท่านนะ เ, เป็นศู น, นย์เลยท่านทิพย์อดของท่านเป็นศูนย์หลวงพ่อขึ้นไปแล้วโอ้ จากไปเล้อยเลื้งหลงตาหลงพ่อเออทํำยังไงได้อายุถึงขนาดนี้ะแปดสิบปีไม่ว่าท่านว่าเร า, เาไม่น้อยละไม่มากาแต่พวกเราก็จะจะให้ร้อยกว่าปีนั่นแหละแต่ทํายังไงได้ท่านได้ขนาดนี้ท่านเอามาขนาดนี้ก็นับว่ า, ามากพอสมควราตามอายุสังขารของมนุษย์ในยุค ป, ปัจจุบันเพราะด้นฐานนะในฐานะพวกเราเป็นลูกเป็นหลานนะ้ จะช่วยกันทั้งฝ่ายพระสงฆ์ก็เหมือนกันหลวงพ่อเองก็ได้นำเอาพระสงฆ์มาจากวัดของหลวงพ่อทั้งหมด12บรูปที่มาช่วยในงานในคราวนี้ครั้งนี้แต่ก็พาะในวัดของนี่ของท่านรัตนาพร้อมพระอีกก็เป็นวัดที่วัดของเราจากนั้นกน็นิมนต์ครูบาอาจารย์ในท้องถิ่นในถิ่นนี้ที่เป็นที่รู้จักมักคุนเป็นพานลูกพานหลานพ า, านพาน้องพานหนุ่งทั้งหลายให้ามาช่วยช่วยกันเนอะ เพราะว่าการนี้เป็นการเรื่องมรณะพระของพระสงฆ์เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องช่วยกันคิดช่วยกันทําช่วยกันแบ่งเบาภาระที่มันจะเกิดขึ้นในชุมชนของพวกเราตลอดถึงพี่น้องประชาชนหลวงพ่อครับฟังๆเลยที่เป็นพระสงฆ์แผ่นออกจากวงสกุลของท่านแล้วทุกคนก็ต้องมีวงศสกุลนั่นแหละอย่างหลวงพ่ออินเนี่ยคมีญาติพี่น้อง องศาคนะญาติหลวงพอมีแต่ได้ออกมาจากเขามานานแล้วเป็นอิสระในการเป็นอยู่เกิดเป็นพระสาธารณะแล้วหลวงพ่อของเราก็เช่นเดียวกันท่านบวชมาถึง4 0่พรรษาเป็นพระอิสระห่างจากลูกหลานจากองศาคนะญาติมามอบตัวไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นพระสาธารณะชนเป็นพระสาธารณะทั่วไปพวกเราก็เป็น ชุมชนสังคมเป็นพุทธบ ร, ร, ริษัทก็อน้อมรับที่ท่านเป็นพระจากนั้นพวกเราก็จะได้ช่วยกันจัดการจัดงานอย่างที่จะถึงนี่แหละคณะสงฆ์คณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทั้งหลายเห็นพ้องต้องกันว่าจะไปชมเพลิงวันที่ยี่สิบวันนี้ก็เป็นวันที่21่สวันที่2 1วันนี้ 21ตุลา57าเเราจะไปชมเพลิงวันที่26กตุลา57าตรงกับวันอาทิตย์ก็ไม่เร็วไม่ช้าตามปกติพระสงค์ที่มรณะภาพก็ประมาณนี่แหละทางครูบาอาจารย์กรรมฐานนะกรรมฐานเก็บเอาไว้เก็บกบศพสรีรนะของท่านเอาไว้ประมาณนี่แหละ7วัน เป็นประเพณีมาแต่ครั้งพุทธกาลมาแต่ครั้งพระพุทธเจา้าเมื่อพระพุทธเจา้าปรินิพานที่กุชินาราพระสงฆ์ก็อนจะพุงพ่งพุ่งในเช้าก็อนจะมีการประชมเพลิงพัดถวายพระเพลิงพระพุทธองค์ถวายเพลิงถวายพระเพลิงศรีระของพระพุทธองค์แต่ว่าจุดใหม่ๆ เอาไฟจุดแล้วเหมือนกับเอาน้ำเอาไฟจุดเข้าไปในน้ำน่ะพระอนุรทุทธะเถระที่นั่งเป็นประธานเรือกทั้งเป็นกรรมการสงฆ์อยู่ที่ท่านที่นั่นท่านก็บอกว่าเทวดายัางไม่ให้ยังไม่ให้ประชุมยังไม่ให้ถวายพระเพิงเพราะพระมหากัสปาเถร ะ, ย, ระยังเดินทางมาอยู่พร้อมกับพร ะ, พระสงฆ์500ร้อยที่ยามมายัางไม่ถึง นั้นขอให้พวกเรารอรอพระมาหากัสถะเทระเพราะนั้นเทวดาเทวดาท่านไม่ให้เผายัางไม่ให้มนุษย์ไปชมแต่มนุษย์ไม่เห็นนะมนุษย์มองไม่เห็นแต่ว่ามนุษย์เนี่ยมีแต่เอาไฟจาะเข้าไปทีไรมีแต่ไฟมันดับปับ๊บเหมือนมีพัดลมลอะไรลักษณะอย่างนั้นอ่ะจนพระมาหาพระาอานุรุทธะได้บอกพวก กษัตริย์ทิศสวีทั้งหลายก็เลยฟังพอถึงเจ็ดวันพระมหากรสปเทระท่านก็เดินทางมาจากเมืองปาวาห่างกันไกลพอไก ล, ไกลพอสมปวดพอเดินทางเจดวันมาถึงพอมาถึงแล้วก็เข้าไปกราบสรีระพระพุทธองค์เข้าไปกราบทางทางเท้าดอกเทวดาก็เปิดฝาลงเปิดฝาลง พระหัตพระบาทของพระพุทธเจ้าโผล่ออกมาจากฝาโลงพระมาหาการป่าก็ได้เอาพระศีศีสักเข้าไปกราบคารวะอย่างสุดซึง้งเอาฝาพระบาทพระพุทธเจ้าจบใส่ที่บนศีรัะของตนเองจากนั้นฝาโลงก็ปิดพอปิดเท่านั้นอ่ะ เทโอดาเป็นผู้จุดถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าเองไฟเกิดเองโดยที่มนุษย์ไม่ต้องได้จุดไฟเกิดพขึ้นไปจากนั้ น, นอันนี้ก็คือเป็นพุทธะที่พระพุทธเจ้าได้เจดวันจึงได้ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าอันนี้พวกเราก็ถือจุดนั้นเป็นจุดหนึ่งเหมือนกันเมื่อครูบาอาจารย์พวกนับระดับขันไปพวกเราก็ถือว่าอย่างน้อยก็ หรือว่าอยากมากก็7วันบางองค์ก็3วันสุดแท้แต่ศรายญญาจโจมข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยอย่างองหลวงตาล้วก็เก็บไว้จลิละของท่านไว้เดือนหนึ่งเพื่อให้จัดงานไปไปได้ด้วยดเีเพื่อความพร้อมของงาน เ, เราก็ได้จัดหนึ่งเดือนก็พร้อมอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นนี่แหละอันนี้คือความเป็นมาของ การจัดงานหรือว่าการถวายสรีระของครูบาอาจารย์แต่เราต้องดูกาลเทศะการสถานที่บุคคลแต่งานของหลวงพ่อจันสมของพวกเราคณะสงฆ์และคณะจตหายาติโยงก็ได้ปรึกษาปารุกันว่าวันไหนขนาดไหนจึงจะพอเหมาะก็เป็นที่เป็นที่ตกลงกันว่าวันที่26ตรงกับวันอาทิตย์ ก็น่าจะเหมาะสมเพราะนั้นในช่วงนี้ในช่วงจะถึงวันอ า, อาทิตย์ที่26เนี่ยพวกเรากองจะได้จัด เ, เมนหรือว่าจัดเตาเผาหรือว่าจัดเต็นท์วางที่ต้อนรับคณะจัตตาญาติโยมจะจะมาจากตาจากตัวฤทิศพร้อมกับพระสงฆ์ที่จะมาในงานของพวกเราคงจะมากพอสมควรเพราะทางอีสาน ในถิ่นอุดรน้องคายน้องบวัวลำพูสกลนกครแถ บ, บนี้โดยมากพระกรรมฐานเยอะหลวงพ่อของเราก็เป็นพระกรรมฐานของท่านรัตนะก็รู้จักที่มาอยู่กับหลวงพ่อก็เป็นที่รู้จักมักคุ้นกับพระทั่วๆไปในถิ่ น, นอีสานเพราะนั้นงานนี้ก็คิดว่าคงจะมีครูบาอาจารย์มามากพอสมควรแต่วันนั้นแหละวันที่26นะ เป็นวันที่จะมากน้อยแค่ไหนพวกเราก็จะได้รู้ได้เห็นในวันนั้นละ่ะแต่พี่น้องประชาชนที่รู้จักมักคุ้นก็เหมือนกันบอกกล่าวกันเป็นต่อไปคงจะไม่ได้มีกำหนดกำหนดการออกไปไม่ได้มีการดีการนิมนต์กันนิมนต์ด้วยปากเปล่านะถ้าว่าคลุกใาจาในท้องถิ่นในถิ่นนี้ก็เหมือนกันอย่าไปถือว่างานนี้ไม่ได้นิมนต์ ข อ, อนี่ยวันนิมนต์นนทางใจเลยข อ, อนิมนครูบาอาจารย์ทุกหมู่ทุกเหล่าที่ไดยินแล้วก็เข้ามาได้เลยไม่ต้องเคิร์นเข้ามาร่วมกันเพราะว่าพระมรณภาคไม่ใช่ัทฐาน ญ, ญาติโยมพระด้วยกันมาเพื่อแสดงความสลดสังเวชหรือว่าสังเวช น, นิยตจฐานตัวกาเล่าเรื่องความสลดสังเวช ท่านเราข่าวนี้เป็นท่านหนอต่อไปจะเป็นเป็นเราเนี่ยอีกสักวันหนึ่งไม่รู้ว่าวันไหนจะต้องเป็นของเราแน่นอนเพราะพวกเราเกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครที่จะหลีกลี่ยงหนีพ้นไปได้ความแก่ความเจ็บความตายเพราะฉะนั้นข่าวนี้เป็นของท่านท่านเป็นตัวอย่างท่านตายให้เราเห็นอีกสักวันหนึ่งต้องเป็นของเราแน่นอน เคะนั้นขอให้พวกเราพนัทตาญ า, าติโยมลูกหลานทุกคนนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นเอาความจริงมาพูดเอาเรื่องที่มันเป็นเรื่องราวขึ้มาพูดให้กันฟังให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดอีอย่าไปคิดแต่ว่าข้าไม่เป็นไรข้าไม่ตายจะไป ค, งงคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นแปลว่าประมาท ต, ตั้งอยู่ในความประมาทพระพุทธเจ้าท่านว่า ให้เราลึกถึงความตายทุกลงหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละคือเป็นผู้ไม่ประมาทถ้าว่าพวกเราไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดว่าตัวเองจะไม่ตายนั่นแหละตั้งอยู่ในความประมาทอันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดให้ฟังยกตัวอย่างให้ฟังมีตาแก่อายุ6 0สเจปีพอตายไปแล้วก็ตายแบบกระทันหันหัวใจวายตาย พอตายไปแล้วก็นั้นไม่พอใจในการตายของตนเองแสดงว่าพยามัตุราชเนี่ย เ, เอาชีวิตของตัวเองไปโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวมาล่วงหน้าพอไปถึงยงมมัทธุศยมพระบาลเนี่ยออพอเห็นหน้ายมพระบาลนั่นไม่ได้ว่าใครนตะ่พวกคนโกรธใช่ไหมละ่ะกตบันหน้าด่าเลยเท่านยมมัทธุทยทำกับข้าพปเจ้าไม่เป็นธรรมเลยในคราวนี้เอาทาไม เพราะว่าไม่ได้บอกล่วงหน้าก่อนที่จะเอาค่าไปเจ้ามานก็ต้องบอกล่วงหน้าเจ้ก่อนที่ว่าเราจะเอาเราจะเอาท่านไปแล้วนะนี่เอามาโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวทําอย่างนี้ทําได้ยังไงผมมีพินกรรมผมจะต้องมอบหมายอะไรต่อเมีอะไรต่อญาติออาพี่น้องลูกหลานามีเรื่องราวต่างเยอะแยะในแต่ละคนแต่ท่านออกมาอย่างนี้ไม่เป็นธรรมสำหรับผมเลย เอออันนี้คือไปต บ, บันหน้าต่อยมมาทูตใช่ไหมเอ่ยมมาทูตยมพบาลเอ่ยมพบาลเขามีอานาจเต็มอยู่แล้วใช่ไหมเขาไม่กลัวใครอยู่แล้วเขาก็ตบโต๊เปีเ้ยงฮ้ยยศยาพูดนี่รู้ไหมยมโลกไม่ใช่มนุษย์โลกนะต่อแหลกันไม่ได้เราเตือนมาไม่รู้ว่ากี่ครั้งทางท่าแกนั่ถึงท่านจะเตือนก็ตามผมไม่ได้รับผมไม่ได้ยินท่านเตือนมาฟัง ยมมาโทษเขาบอกฟังหัวงอกเมื่ออายุเท่าไหร่ผมขาวในะอายุเท่าไหร่ประมาณสี่สิบครับนั่นแหละจดหมายฉบับที่หนึ่งเตือนมาแล้วฟันหลดเมื่ออายุเท่าไหร่ประมาณสี่สิบกว่าครับนั่นแหละจดหมายฉบับที่สองตาฝ้าฟางใส่แว่นตาเมื่ออายุเท่าไหร่แปลว่า ย, ยมมาโทษเขาเตือนมาเป็นระยะระยะแต่ลอนมันดื้อรั้นพอผมขาวก็เอาสีมาย้อมซะ พอตามองได้เห็นตัดใส่แว่นใสซะพอฟันหลุดกระใสฟันปลอมซะคล้ายๆก็หลอกตนเองไปไม่เห็นความแก่ความเก็บความตายต่อไปภายภาคหน้าเพราะนั้นขอฟังไว้นะพวกเราเพราะนั้นยอมมาทูดเขาคนละอ้ า, เอาวเราเตือนมาหลายครั้งยังมาดื้อรั้น่นี่ะไปทหารเอาไปลงนรกให้เค็ด เ, เขาก็เลยจับไปส่ง นรกต่อไปก็คงจะทําความชั่วพอสมควรมั้งจมวมัดทวดเขาเร า, เาไปตามกรรมที่ตนได้กระทำมาไว้ใครทํากรรมดีท่านก็ส่งไปทางสวรรค์ถ้าไทยใครทำกรรมชั่วท่านก็ส่งไปนรกถ้าไทยทําบาปขนาดใดขนาดถึงก็ไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไร้ฉานไปเป็นเปรตหลายๆแนวทางนในหลักของพุทธศาสนาแต่เมื่อไอหนุ่มคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังเลยเ ย, ยืนเข้ามาเข้ามาอีกท่านยมบาลครับ ท่านยอมมาโทษครับที่ท่านพูดกับคุณลงเมื่อกี้เนี่ยผมได้ยินแต่ท่านไม่ได้เตือนผมเลยผมยังน้อยหนุ่มอยู่ก็เอาผมมาแล้วแสดงว่าไม่ได้ไม่ได้เตือนผมเะยครับเอ้นมการเตือนมีหลายระดับมีหลายอย่างในการเตือนเพื่อนของตะแกเนี่ยตายไปเมื่อกี้เนี่ยเขาตายเพราะอะไรครับตายเพราะอะไรเพราะหัวใจวายครับแลวตายเธอตายเพราะอะไรเพราะไตาวายครับนั่นแหละ ในเมื่อเพื่อนตายไปแล้วทำไมไม่คิดว่าอีกสักวันหนึ่งข้าจะต้องตายเหมือนกับเพื่อนเธออย่าประมาทที่ต้องตั้งอยู่ในคุณงามความดีต้องสังสมคุณงามความดีมันจึงจะถูก เ, เพราะนั้นจะว่าเราไม่เตือนได้ยังไงเราเตือนเตือนหลายหลายอย่างเป็นตัวอย่างให้เหตุก็มีเอาเธอตะแก่ยังไม่ได้ทําความชั่วอะไรมากไปไปหาเกิดซะต่อไปอย่าประมาทนะนี่แหละ ยมมาทูดเขาเตือนพวกเรานะนทาา่านจัตไทยาจงพวกเราท่านทั้งหลายนยอมมาทูดเตือนกี่ครั้งเลยเนี่เกิอนกี่อย่างไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเรานะหลวงพ่ออายุเจปีนักปีนี้ยมมาทูดเตือนหลายหายอย่างหลวงพ่อรู้แก่ใจว่ายมมาทูดเตือนอะไรเออยินดีขอบใจมากยมมาทูดที่ท่านเตือนข้าอีกสักวันหนึ่งข้าจะต้องไปอย่างที่ท่านได้เตือนมาเอาเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาท สิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีคิดดีทดําดีพูดดีเราจะทำอย่างนั้นและเราจะไม่คิดชั่วทำชั่วพูดชั่ว เ, เราจะทำแต่คุณงามความดเาเาีเมื่อท่านเตือนมาแล้วนะขอให้พวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทุกคนนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทางนี้ทั้งนั้นเป็นการบอกกล่าวตักเตือนให้พวกเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้คิดดีทาดีพูดดีความดีนั่นแหละ จะพาพวกเราไปสู่ความสุขความเจริญถ้าคิดชั่วทําชั่วแล้วพวกเราพวกเราทั้งหลายจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอย่างที่หลวงพ่อยกแล้วในภาษาบาลียกแล้วยกอีกอากตังตุกตะตังเสืยโยปัตชาตะปฏิตุกตะตั ง, วยยตตงความชั่วกรรมชั่วคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าในเมื่อเราทํากรรมชั่วเหล่านั้นแล้ว กรรมชั่วให้ผลพวกเราจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังพระพุทธเจ้าท่านเรือนพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายลต่อนนี้ไปพระสอง์อนุโมทนาให้พรพวกเราอุทิศส่วนกุศลเนะ้อถวายกุศลต่อหลวงพ่อของเราด้วยแล้วก็อุทิศส่วนกุศลถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพิจาหายของเราในพก่อนะในอดีตแต่ชาติของพวกเราด้วย